เข้าบังกอบศึกษาธรรมเมื่อสามเณรโตอายุย่างเข้า18ปีลงใจแน่วแน่แล้วในการลาจากกินฐานบิดามารดาญาติโยมทั้งหลายจึงเข้ากราบลาท่านพระครูจังหวัดบรรยายนแถงยกย่องพิทยาคุณและความรู้ของท่านพระครูเมืองช้ยนาฏบุรีพอเป็นที่ปลื้มประาศจากความลบลู่ดูหมินด้วยระเบียบท้อยคาอันดีพอสมควรแล้วจึงได้นมสการขอลาว่า กระผมข อ, อนมัส ก, การลาฝ่าเท้าเพื่อจะลงไปสู่สำนักราชบัณฑิตผู้สูงศักดิ์อักขฐานให้เป็นการเชิดชูเกียรติคณของฝ่าเท้าให้แพร่หลายในกรุงเทพขอบารมีฝ่าเท้าได้ก ร, รุณาส่งกระผมให้ถึงญาติโยมน่าแขวงเมืองพิจิตด้วยเมื่อพระครูเมืองเชยนาบุรีได้ฟังซึ่งมีความพอใจอยู่แล้วในการที่จะสแสวงหาสิท ด, ดีมีวิสาหะแกล้าองอาจ ฉลาดเฉลียวรอบรู้คำภีกิจจะส่งสิทธ์ดีเข้ากรุงเทพเพื่อช่วยเผยแพร่ให้ความรู้และความดีของท่านนั้นโด่งดังปรากฏแพร่หลายในกรุงเทพบ้างก็พอดีสมเณรโตขอลากลับบ้านเพื่อให้ญาติ จ, จัดส่งเข้ากรุงเทพอีกทั้งสมเณรองค์นี้ก็เป็นคนดีมีความรู้กรอบด้วยสติปัญญามีความเพียรหัวใจก็จดจ่ออยู่แต่การเล่าเรียนหาความรู้ไม่เป็นคนโง่ซึมเศรา พอจะเข้าเทียบเทียมเมธีที่กรุงเทพพระมหานครได้ท่านพระครูเห็นสมควรดังนี้จึงอนุญาตท่านจึงกล่าวเทรว่าสุนทรกรุณาเป็นทางปรุงปลูกผูกอาลายัยแกสามเณรพอสมควรแล้วท่านก็ออกวาจาอนุญาตว่าดีแล้วนิมนทจะเราขอรอผัดจัดการส่งสัก3ามวันเพื่อเตรียมตัวเตรียมการส่งให้เป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบตามธรรมเนียม สามเณรก็กราบถวายลามายังกุฏิที่อยู่แล้วก็จัดการราเตรียมเก็บสัพพสิ่งเครื่องอุปโภคต่างๆที่ควรจะนำไปใช้สอยข้างหน้าจัดบรรลุลงหีบลั่นกุญแจปุกรัดมัดหนังสือคำมภียต่างๆส่งคืนเข้าที่ตามเดิมคำเีร์ที่ยังเรียนค้างอยู่ก็ทำใบยืมไปเรียนต่อต่อไปสิ่งของที่เหลืออุปโภคบริโภคแล้วจัดแบ่งปันส่วนถวายเพื่อนสามเณรที่เคยอยู่ ที่เคยเป็นเพื่อนกันเวช้สอยพอเป็นทางขูกอะไรทำไมตรีรุ่งเช้าสัมเนียนโตก็ออกพายเรือสามปั้นบินทบาดไปถึงบ้านที่สุดเหนือน้ำและใต้น้ำเพื่อบอกกล่าวร่ำลาญาติโยมอุปถากะที่ปรวรณาและผู้ที่มีวิสาสะทั่วหน้ากันทั้งสองฝั่งที่อยู่บ้านดอนขึ้นไปก็บอกลาฝากขึ้นไปทั่วกันพวกเด็กๆพวกลูกศิษย์วัดทั้งปวง พอรู้ว่าหลุงพี่เนนของเขาจะลงไปอยู่ที่เมืองบางกอกก็พาดกันเสียดายใจหายรู้สึกสซึมเศร้าหน้าแห้งตาแดงไป ต, ตามๆกันเพราะเหตุที่เขามีความคุ้นเคยรักใคร่อาลัยสามเนนโตเคยกินอยู่อย่างสมรารดด้วยอาหารเกิดทวีขึ้นเพราะอำนาจบรารมีศีลธรรมมีศีลธรรมของสามเนนโตจนข้าวของแปลกประหลาดเอื้อเฟื้อเอาใจเข้ามาช้านานตลอดระยะเวลาสามปีที่มาอยู่ บรรดาสาวๆวรุ่นราวคราวเดียวกันกับพ่อเนนซึ่งมีใจโอนเอ็นไปข้างฝ่ายรักก็กระอักกระอวนรันจวนใจด้วยพ่อเนนท่านจะไปอยู่ไกลถึงเมืองบังกอกต่างก็อาจอันตันใจไม่อาจออกมาจาห้ามพราหม์ราะความอายรักก็รักเสียดายก็เสียดายทั้งความยึดถือมุ่งหมายก็ยังมีอยู่มั่นคงจงใจทั้งเกรงผู้ใหญ่จะล่วงรู้ดูแคลนแสนจะกระดากระเดือง จำเลืองชมชมพ่อเนนโตแอบมองทั้งหน้าต่างและลอดสายตาตามช่องรั้วบ้านจนลับในตาบางคนก็ถึงกับร้องไห้เลยก็มีเมื่อพระเนียนฉันเช้าแล้วท่านพระครูเจ้าคณะจังหวัดจึงเรียกพระปลัดพระสมุมาสั่งการว่าพระปหลัดพรุ่งนี้เธอต้องสั่งเลขาวัดให้ก็จัดเรือเก่งสีแจาคนเจวประจําพ ร, พร้อม และจัดสเสบียงทางกลายให้พร้อมมูลด้วยให้พอเลี้ยงกันทั้งเวลาไปและกลับมาด้วยส่วนเธอและพระสมุทรช่วยพาสมเนรโตเข้าไปส่งให้ถึงญาติโยมเนนนเมืองพิจิตในวันพรุ่งนี้แทนตัวฉันด้วยและพรุ่งนี้ให้มารับจดหมายส่งของฉันก่อนพระประหลัดกับพระสมุทรรับเทระ บ, บัญชาแล้วออกมากากเก์เลเขวัดสั่งให้จัดเรือจัดสเสบียงให้พร้อม พร้อมทั้งเครื่องต้มเครื่องแกงหม้อน้อยหม้อใหญ่กระทะหม้ออวยจะวักตะหลิวครกใหญ่ครกเล็กไม้ตีพริกกระชอนแผงลูกหนึ่งเกลือกะปิน้ำปลาข้าวเหนียวน้ำตาลมะขามเปียกพริกสดพริกแห้งหอมกระเทียมขิงขากระเทือพริกไทยให้พร้อมไว้เวลาเที่ยงแล้วให้นําเรือ ม, มาจอดเทียบไว้ที่หน้าวัดตามที่ท่านพระครูสั่งรุ่งขึ้นวันที่สปมพระประหลัดฉันเช้าแล้ว ก็เข้าหาท่านพระครูรับจดหมายแล้วกราบลาออกมานัดหมายพระสมุกและนัสมมเนียนโตว่าเที่ยงแล้วลงเรือพร้อมกันเมื่อฉันเพลงเสร็จแล้วก็ขอแรงสิทธิวัดและเพื่อนเนียนสองสาคนช่วยขนบริารการหีบกระกากระเช้ากระบุงที่บรรจุของของสมมเนียนโตลงท่าวัดพร้อมกันสมมเนียนโตก็เข้าไปกราบลาท่านพระครูด้วยความเคารพท่านพระครูก็ประสิทธิประสาทพร ให้วัฒนาถาวรพินโยภาวะยิ่งให้สำเร็จสมความมุ่งหมายทุกสิ่งทุกประการเวลาเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพระภิกษุสมุและพระประลัดกับสามเณรโตพร้อมด้วยคนแจวเรือก็ลงเรือเมื่อได้เวลาบ่ายโมงก็ออกเรือทางแม่น้ำบายหัวเรือไปทางเมืองพิจิตรเมื่อแจวมาลุล่วงเข้าสองคืนก็ถึงบ้านสามเณรโต ปตะผลเยลานาุตดเห็นเรือมาจอดที่ท่าหน้าบ้านต่างก็ออกมาดูรู้ว่าท่านประหลัดท่านสมุและสามเณรโตมาต่างก็ดีใจโยมพากันลงไปถึงนิเรือต้อนรับและนิมนต์ขึ้นเรือนเมื่อขึ้นมาปูหลานอัสนะตักน้ําเย็นน้ําร้อนจัดเภสัเพลายาสูบใส่พันพระสมุและพระปหลัดสามเณรโตขึ้นมาอาราธนาที่หอนั่ง ประเคนหมากประเคนน้ำยาสูบแล้วก็กราบเมื่อเจ้าบ้านนั่งปกติเรียบร้อยแล้วพระประหลัดจึงปฏิสันฐานและนำจุดหมายของท่านพระครูในเมืองใชนาบุรีส่งให้ตะผลตะผลรับมาอ่านได้ทราบความตลอดแล้วด้วยความพอใจเมื่อสนทนาเสร็จจึงพาพระประหลัดพระสมุขและสามนเณรโตไปยังวัดใหญ่เข้าหาท่านพระครูใหญ่และถวายลายลิขิต ของท่านพระครูวัดเมืองชัยนาฏบุรีให้ท่านพระครูใหญ่ในเมืองพิจิตทราบท่านพระครูอ่านข้อความในจดหมายนั้นก็เห็นดีเห็นชอบด้วยทั้งครูบาอาจารย์และคณะญาติโยมพร้อมใจกันหมดเมื่อได้เวลาพระประหลัดพระสมุกตาผลและนองมุดก็ลาท่านพระครูใหญ่กลับบ้านแล้วก็จัดแจงหาอาหารเลี้ยงพระและพวกลูกเรือคนอื่นๆจนอิ่มหนำสำราญส่วนพระประหลัดและพระสมุต เมื่อได้ทำงานตามที่รับมอบหมายมาเรียบร้อยแล้วสมควรแก่การก็ลาเจ้าบ้านกลับไปยังเมืองชัยนาธบุรีทั้งบ้านของตะผลนั้นนางงุดก็จัดเรือจัดคนจัดลำเลียงสเสบียงอาหารจัดของแจกของใช้ของฝากชาวกรุงเทพทั้งของถวายของกำนันท่านผู้ใหญ่ในกรุงเทพลงบรรทุกในเรือแล้วให้ตะผลเป็นผู้นาพร้อมด้วยคนจ่าเรือสงสามเณรไปกรุงเทพ แตต้องให้แวะนมรส ก, การบูชาพระพุทธชินราชในวันกลางเดือนสิองนี้ก่อนและสั่งพ่อให้อ้อนวอนขอหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้ช่วยคุ้มครองกันกำกับรักษาท่งข้อเนนอย่าให้มีเหตุการณ์ร้ายและอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนี้ขออย่าให้ได้มีอันตรายตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าวันเท่าแก่และขอให้เนร์นเล่าเรียนลุล่วงสำเร็จทุกประการขอบา ร, รมีหลวงพ่อชินราช ช่วยป้องกันศัตรูหมู่อันพานอย่าพะ จ, จนและเบียดเบียนสามเณรแต่ผลเมื่อรับคำลูกสาวแล้วก็ลงเรือออกเรือจากท่าหน้าบ้านและให้เจ้าออกทางแม่ น, น้ำเมืองพิษณุโลกล่วงมาหลายวันก็ถึงวัดพระพุทธชินราชในวันขึ้น14ค่ำเดือน12ปีฉลูพุทธศักราชส3 3 6 วันรุ่งขึ้นตะผลได้นิมนต์สมเณรโตขึ้นไปบวชพระพุทธชินราชเดินประทักษิณซามรอบแล้วเข้านามส ก, การทำสักการะบูชาสามเณร ย, ยืนขึ้นวันทาแล้วตั้งสักการ ะ, โ ด, กการะโดยสักกัจจ์เคารพแก่พระพุทธชินราชตะผลจึงพร่ำพรนนาถวายเนเนแก่พระพุทธชินราชและ ว, วิงวอนขอฝากขอความคุ้มครองป้องกันขอให้พระพุทธชินราช บรรดาดลส่งเสริมสมเนรตามคำนางมุโยมของสมณเนรสั่งการมาทุกประการเมื่อทำการเคารพสักการะบูชาแก่พระพุทธชินราชเสร็จแล้วก็กราบลาพาสามเนรโตมาลงเรือเจ้าล่องลงมาสองคืนก็ถึงหน้าท่าวัดบางลำภูบนกรุงเทพตอนเวลาเช้าสองโมงวันแรมสองค่าเดือน12ปีพุทธศัการาชส3ง ซึ่งเป็นปีที่12ในรัชกาลที่1กรุงเทพพระมหานครแต่ผลชาวเมืองกำแพงเพชรซึ่งถอยลงมาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่เหนือเมืองพิจิตรได้นำสามเณรโตผู้หลานอันเป็นลูกของนางวุตลูกสาวสามเณรโตนั้นมีอายุย่างเข้า18ปีแต่ผลผู้เป็นตาจึงได้นำพาสามเณรโตขึ้นไปมอบถวายพระอาจารย์แก้ว วัดบางลำพูบนพระนครแต่ผลได้เล่าถึงการเรียนของสามเณรโตจนกระทั่งถึงท่านพระครูจังหวัดวัดเมืองเหนือทั้งสองอารามมีความเห็นชอบพร้อมกันที่จะให้ลงมากรุงเทพกล่าวกับผมจึงได้นำสามเณรโตมาสู่ยังสำนักของหลวงพ่อเพื่อหลวงพ่อจะได้ทํานุบำรุงชี้ช่องนำทางให้สามเณรดาเนินหาคุณงามความดีมีความรู้ยิ่งในพระมหานาครสืบไป พระอาจารย์แก้วเมื่อทราบความเป็นมาตามที่ตะผลเล่าก็เกิดความเชื่อและเลื่อมใสในสามเณรโตและมีความเห็นพ้องด้วยกับท่านพระครูทั้งสองจังหวัดสมจริงดังที่พยากรไว้แต่ยังนอนเบาะและได้รับเป็นลูกไว้จึงนึกขึ้นได้ถึงเงินที่ได้ลั่นวาจาว่าจะจ้างนางงุดเลี้ยงปีละร้อยบาทเป็นเวลาสามปีเป็นเงินค่าจ้างสาร้อยบาทจึงให้เสด็จ ท, ที่เป็นวียาวัชกร หยิบเงินมา300บาทส่งมอบให้ตะผลเพื่อฝากไปใช้ให้นางุดเป็นค่าน้ำนมป้อนข้าว3ามปีเป็นเงิน300บาทตะผลน้อมคำนับรับเอาเงิน300บาทมากำไว้สักครู่เมื่อจนจะลากลับจึงพร่ำพรรณนามอบฝากเนนและถวายเงิน300บาทนั้นคืนหลวงพ่อแก้วและถวายอีก100บาทเป็นค่าบารุงเนนแล้วก็ลาท่านอาจารย์แก้ว เยี่ยมญาติพี่น้องที่บางคุนพรมต่อไปฝ่ายพระอาจารย์แก้วจึงจัดห้องหับให้สามเณรอยู่บนหมู่บนคณะวัดบางลำพูบนแต่วันนั้นมาเวลาเช้าก็ลุกขึ้นบินธบาตและสำรับกับข้าวของฉันในคณะอาจารย์แก้วนั้นอุ ด, ดมล้นเหลือไม่บกกร่องทั้งบารมีศีละธรรมที่สามเณรโตประพฤติดีก็บรรดาที่มีผู้ขึ้นถวายเช้าและเพน และที่ปาวราณาก็กลายเป็นโภชนะสั ป, ปายะของโยคฆบุคคลทุกเวลาพระอาจารย์แก้วเมื่อเห็นเวลาเลิกดีแล้วจึงพาสามเณรโตไปฝากพระโหราธิบดีพระวิเชียนกรมราชบัณฑิตให้ช่วยแนะนําสั่งสอนสามเณรให้มีความรู้ดีในคำพีพระปริยัติธรรมทั้งสามปิฎกพระโหราธิบดีพระวิเชียนก็รับไปดูแลสั่งสอนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พระหัวดาธิบดีพระวิเชียนอยู่บ้านหลังวัดบางลำพูบนเสมียนตราดวงบ้านบางคุณพรมท่านคุณพรมเสนาบ้านบางคุณพรมประหลัดกรมมนุษย์บ้านบางลำพูบนเสมียนบุญและพระกระแสทั้งเจดท่านนี้เป็นคนมั่งคั่งหลักฐานดีทั้งมีศรัทธาความเชื่อมั่นในบรวรพุทธศาสนา เมื่อทั้งทั้งเห็นจัญญาอาการของสามเณรโตและความประพฤติดีมันเรียนเพียรมากปากคอลิ้นคางคล่องแคล่วไม่ขัดเขินเกร่งพลัดดีรูปร่างกายก็พึงพายองอาจดูอาการไม่ได้น้อมไปในกามาคุณมันญาตกลมุลละม่อมเมื่อรามเรียนธรรมะมในคำพีไหนก็เอาใจใส่ไต่ถามให้รู้ลนะักษณะจะเดินประโยคอะไรก็ถูกต้องตามในของรูปประโยคแบบอย่างถูกใจอาจารย์มากกว่าผิด ท่านทั้งเจ็ดจึงพร้อมกันเข้าเป็นยมอุปถาคช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงมันไปมาหาสู่ที่วัดบางลำพูเสมอและสาธุชนอื่นๆต่างก็เลื่อมสายใส่บาตรยังบริบูรณ์มีคนมานิมนต์ให้สามเนรโตแสดงธรรมถึงฤดูหน้าเทศมหาชาติตามวัดแถวนั้นคนก็ชอบนิมนต์สามาเนรโตเทศหิ ม, มาพานบ้างเทศทานกาันบ้าง เทศวันประเวทบ้างเทศชูโชคบ้างเทศจุลพลบ้างเทศมหาพลบ้างเทศกุมารบัพปะบ้างเทศมสสีบ้างเทศสกระบับปะบ้างเทศมหาราชบ้างเทศชักษัตรบ้างเทศนครกันบ้างสามเณรโตเทศได้ถูกต้องทั้งส3ากันกุลเมษมหาพลและเหล่าสระแหลราชสีว่ากลลเมษแพลวที่หยุดที่ปลายที่หายใจขึ้นลงเข้าออก สนิททุกอย่างทุกกันกระแสดเสียงสนอนฟังทุกกันท่านองเป็นหมดไม่ว่ากันอะไรเทศได้ทุกกันจังหวะก็ดีเสมอเหล่านี้สา ม, มเณรโตไม่ได้มัวเมาหลงไหลในการรวยเรื่องเทศมหาชาติและไม่ได้มัวเมาหลงไหลด้วยอุปถาคมากเอาใจสาใส่แต่การเรียนการปฏิบัติทางเพลิดเพลินเจริญสมณธรรมเป็นเบื้องหน้าจึงได้เป็นที่รักที่นับถือของท่านโหราธิบดี พระวิเชียนเสมียนตราด้วงประหลัดกรมมนุษย์ขุนพรมเสนาและท่านครัวใายหงงเสมียนบุญพระกระแสท่านใหญ่งวนและสาธุชนคนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก